ธรรมะชาดกแผ่นที่12ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพระเจ้าอาโศกถวายทายาทวันนี้เป็นวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2อ0พ 157วันนี้เป็นวันสำคัญทางบ้านเมืองเป็นวันสำคัญเป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันที่ในหลวงคลองราชปีนี้ปี2 5งน้ครบอบ68ปีในหลวงคลองราช68ปีหลวงพ่อเ0็แปลว่าเกิดก่อน ในหลวงคลองลาดนี่ยไม่กี่ปีนะหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบสองปีกว่ากว่าสามปีช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอเสร็จสงครามแลว้วหลว ง, งพ่อก็บวชหลวงพ่อก็เกิดเลยนะลูกลานนะลยหลวงพ่อเกิดสงครามญี่ปุ่น เ, เสร็จ ปี 2,488 น่อนะอันนี้ในหลวงท่านคลองราดอ่เป็นเวลา68ปีปีนี้พระองค์ท่านก็ให้ความสงบสุขต่อพี่น้องประชาชนให้ความอบอุ่นพวกเรานึกย้อนหลังดูสิท่านให้เขื่อนเท่าไหร่ อะไรเท่าไหร่เป็นพระราชดำริหรือว่าเป็นแนวความคิดของในหลวงเลื่อนต่างๆก่อนที่จะเป็นมาได้เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุไรเหมือนกับหัวหน้าครอบครัวอย่างนั้น่ประเทศชาติก็มีครอบครัวเราก็ต้องมีหัวหน้าครอบครัววัดหนึ่งก็ต้องมีหัวหน้าวัด อำเภอหนึ่งก็มีหัวหน้าอำเภอจังหวัดหนึ่งก็มีหัวหน้าประเทศหนึ่งก็ต้องมีหัวหน้าแต่ขหัวหน้ารัฐบาลอีกส่วนหนึ่งแต่หัวหน้าพระคุณในหลวงคือพระคุณพวกเราคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดนี่นะมันท่านไม่ได้ให้โทษใครเพอเพลทั้งใครติดโทษหนักขอ ข อ, อโทษขอจากอะไรจาก พ, พ, รพระบาทธเจ้าอยู่หัวอีกขออภัยขอพระราชทานอีกอันนั้นมีแต่มีแต่พระคุณมีแต่พระคุณให้กับพี่น้องประชาชนทางยามบ้านเมืองเดือดร้อนอย่างหนักๆเมื่อพระองค์ยังทรงยังหนุ่มพูดง่ายๆนะพระองค์ยังหนุ่ม มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ออกมาปกป้องดูแลแต่บัดนี้ในหลวงของเราอายุ80กว่าปีเป็นถ้าคนขคองเรากันอายุ80จะขนาดไหนจะขนาดหลวงพ่ออายุ70นะปีนี้ลูกหลานก็รู้ตัวว่าความคิดความอ่านนช้าเชิงช้าแต่ความรอบคนะรอบนะรอบครอบแต่จะตัดสินใจนั้น ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันไม่เหมือนสมัยยังห น, น, นุ่มกว่านี้ถ้านหนุ่มกว่า น, นี้พูดอะไรเนี่ยเสี่ยงถ้าหกสเอร์เซ็นตแล้วก็ฟันเปี้ยงเลยแต่ทุกวันนี้นุ่นเกือบร100้อยเปซนนุ่นนะจึงตัดสินใจพอะไยเพราะความรอบคอบขวามันจะผิดพลาดนะ น, นี่ก็เหมือนกันนะในหลวงของเราท่านอายุพระชนม์อายุทั้ง80กว่าพระพรรษา ทำ ท, ท่านทําคุณูปการให้กับประเทศชาติลูกหลานมานมนานาทำทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับลูกกับหลานาโครงการพระราชดําริเนี่ยเท่าไหรแต่พอออกมาช่วงหลังๆฟังฟั ง, ฟงดงแล้วโครงการไหนเพราะพระองค์ไม่ได้ติดตามพระองค์อายุพระชนมายุมากแล้วก็บางทีก็ล้มเหลวบ้าง รู้สึกว่าปูยี่ปูยำดูๆแล้วก็หลวงพ่อด้เยินหลยลักษณะไม่สบายใจน่นนะนะนะโครงการพระราชดำริช่วงหลังๆเพราะเหตุไรเพราะว่าพระ อ, องค์ท่านอายุมากแล้วไม่ได้ติดตามใกล้ชิดปล่อยให้กับผู้ที่ออกมาดาเนินการนะนะตกๆลนๆเลี่ยดๆลาดๆฟังๆดูแล้วก็ไม่รู้อะไรต่อไม่อะไระสรุปแล้วก็คือ ไม่ไปตามเป้าตามหมายที่พระองค์ท่านมีเจตนาดีฮหนี่แหละอันนี้เราจะตําหนิใครละ่ะตําหนิใครตําหนิผู้ดําเนินการตําหนิพวกเราเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีถ้าว่าพวกเรามีจริยธรรมที่ดีแล้วอันไหนควรไม่ควรอย่างไร ประเทศชาติจะไปได้อย่างไรเนี่ยพวกเราก็ช่วยๆกันคิดนะนะอันนีประเทศชาติไม่ใช่ของพระนะชาติไทยไม่ใช่ของพระไม่ใช่หลวงพ่ออินไม่ใช่ของพระไม่ใช่ของตำรวจไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของครูโรงเรียนไม่ของไม่ใช่ของผู้ใหญ่บ้านกำนัลไม่ใช่ของพิพากสาอายการไม่ใช่ของใครทั้งหมดแต่รวมกันเป็นของทุกคนของทุกคน ใครเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีสิทธิ์ถ้าหากว่าทำความชั่วทำให้คนอื่นเดือดร้อนอจับเข้าคุกไปขังไปซะเล่าอะไรเพราะทาให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าหาว่าทุกคนสร้างแต่คุณงามความดีก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะนั้นประเทศชาติชาติไทยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพวกเราทุกๆคนอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไร ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองอันไหนมันผิดอันไหนมันผิดก็คือผิดกฎหมาย ผ, รรมผิดจริยธรรมผิดจริยธรรมอ่าอันนั้นคือมันผิดแปลว่าคิดไม่ดีล่ะคิดไม่ดีแล้วก็ทาออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีอันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันชัดมงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับคณะสัาญาติโยมลูกหลานทุกคนเพื่อฟัง เพื่อฟังเพื่อการศึกษาให้พวกเรารู้จักสูงรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรควรจะพูดยังไงควรจะทำยังไงควรจะปฏิจจบัติตนอย่างไรอันนี้ก็คือพักคนผู้มีอุปกรณ์คนต่อมาก็คือพ่อแม่ของเราอีกเหมือนกันพ่อแม่ของเราเนี่คือเป็นผู้มีพักคน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 ใส่ใจต่อผู้มีอุปกรณเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรก่อนพวกเราในฐานะลูกควรจะแสดงความกตัญญูกะตเะวทีตาอย่างไรจึงจะถูกต้องน ะ, น ะ, นะไม่ใช่ว่าเนี่ยปีนี้หลวงพ่อจะเทือนใจนะลูกหลานนะคณะ ท, ะทาญาติโยมถึงจะเปลืองจะผ่านไปแล้วกวเนะ็เถอะนะลูกวางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ เพื่อจะต้องการมรดกแล้วก็ตรงพี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าน้องชายเพื่อต้องการมรดกทําไมคิดได้ยังไงอามาดูคิดดูสิถ้าเป็นลูกของเราลราหลานของเราพี่น้องของเราเราเราจะเลี้ยงเข้ามาเพื่ออะไรมาเลี้ยงมาเพื่อฆ่าตัวเองสิ่งเหล่านี้เราจะตำหนิใครตำหนิ ทุกคนตำแหนิดทั้งหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก่อนเนี่ยตหายาดโยมาหลวงพ่อก็พูดให้ฟังอย่างนี้แหละเอาไปคิดดูซิลูกหลานฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนกับฆ่าพระหรันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าอนันตเรียกรรมห้าอย่างเป็นบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนา อนันตเรก ร, รมห้าอย่างคือมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอรหันตฆาดฆ่าพระอรหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห้อสังฆเพทยุยงสงให้แตกกันอันนี้คือบาปหนักที่สุดในหลักของพุทธศาสนามีแต่อเวจีมหานารกส่วนเดียว ถ้าผู้ใดก็าตามทำอนันตริยกรรมห้าอย่างนี้นะแล้วนะถึงจะมาบวชในพุทธาศาสนาก็ไม่เป็นพระเพราะว่าตัดคุณงามความดีตัดสิ่งที่เป็นกุศลออกจากจิตใจของเราหมดแล้วหมดคนนั้นหมดหมดสภาพทั้งหมดไม่เป็นคนอีกแล้วเป็นสัตว์นรกในหัวใจมีแต่ร่างร่างเนี่ยเป็นมนุษย์แต่แต่จิตใจนเป็นสัตว์นรกค่ะ เน่ยเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบได้หลายหลาอย่างน ะ, ะมนุษยสามนุษย์โศแปลว่าร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์ทําอะไรถูกต้องทำตามทํานองครองธทมอันนี้ว่ามนุษสามนุษย์โศนะมนุษยสาเทโวติดจิตใจร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงส่งมีแต่ความเมตตาโอบอ้อมอารีมีต่มีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์อันนี้แลว้วะ เ ป, เป็นผู้มีจิตใจสูงมนุษย์สโวมนุษต์ตีรชาโนแต่ร่างกายเป็นร่างกายเป็นมนุษย์เป็นคนแต่จิตใจต่ำสาวต่าสามอย่างในที่เป็นความชั่วชา้าเสียหายแก้งยิงโคดโกงป้นจีเบียดเบียนลังแกเหมือนกัตริย์ทีรชานอแย่งกันอยู่แย่งกันเกณฑ์เหมือนกับ หมูหมากาไก่เนี่ยแต่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตย์ทิรชาติม น, people, ม, นมนุษย์ชาิรชาโนมนุษย์ชเปโตเป็นมนุษย์ที่เป็นเปรตมนุษย์ชาหนรกติดใจต่ํำสามมนุษย์อริโยมนุษย์แต่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพระอริยะเนี่ยมนุษย์พุทโธเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นมนุษย์นะ แต่จิตใจของท่านเป็นพุท ธ, ธะนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้ความสำคัญทางด้านจิตใจมากกว่าในหลักธรรมคำสอนเพราะนั้นท่านจึงว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมาก ในหลักของพระพุทธศาสนานะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณนะทาญาิโยมลูกหลานนะเน้อคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละจะเป็นคนดีถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะั้นจะไปทางต่ําจะอาจเพ้อเพอจะเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์ทิฏฐานไปได้ง่ายๆแต่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะถ้าคิดดีทดําดีแล้วมนุษย์สมนุษโศมนุษย์เทโวมนุ ษ, ษย์อริยอริโยมนุษยพุทโธนะ สูงส่งขึ้นไปแล้วก็วันนี้เป็นวันที่บวชนาคนะพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขามาบวชวันนี้มาจากกรุงเทพก็มีแล้วก็จากหลายๆจังหวัดที่มาบวชลูกหลานวันนี้จะมีการบวชนาคสามนาคนะเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้อุปชาก็คงจะมาจากภู ก, ก้อน อุปชาก็คือเจ้าคณะอำเภออาเภอนายงท่านจะมานั่งพระอุปชาที่วัดของเราเนี่ยแหละตรงนี้แหละตรงศาลาของเราเนี่แหละเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วไม่นานท่านก็คงมาจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีอุปสมบทบวชลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาที่ลูกหลานยอมบวชให้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานที่ยินยอมเพราะนั้นหลวงพ่อเองเห็นลูกหลานหนุ่ม เป็นครูเป็นอาจารย์บ้างเป็นนักศึกษาบ้างที่ครอบบวชบวชบ้างเนี่ยในเมื่อบวชเข้ามาแล้วหลวงพ่อเนี่ยแหละคือทายาททายาทของพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเขาั่นท่านเหล่านี้ล่ะลูกหลานเหล่านี้ล่ะจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยคิดไกลนะข้าราชการทายาทโยมลูกหลานในหลักของพระพุทธศาสนา พญาธรรมโศกราชท่านสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย8 4 0 0ชิ้นใครเข้ามาสร้างเจดีย์สร้างถู้๊กอย่างที่กลุ่มของเราเราจะสร้างอะไรหมู่บ้านกี่หมู่บ้านหมู่บ้านแล้วจะสร้างอะไรผลที่สุดแล้วก็พอสร้างพร้อมกันก็ฉลองไม่กําหนดนะอีก3ปีให้เสร็จนะต่างคนก็สังคมักคม่นสร้างพระเจดีย์ บูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระพยาธรรมสกราชเนี่ยเป็นเป็นพุทธมาม ก, กะนะประกาศให้พื้นแผ่นดินของพระองค์สร้างท้าวรอนวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา 84,000 ี่พันชิ้น4 0 0พันองค์4ี่พันอย่างแต่และหมู่บ้านแต่และชุมชนแต่พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นิมนต์พระสงฆ์มาพร้อมกันกับเหมือนกับพระสงฆ์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นประธานนะ พญาธรรมโสก็ถามประธานสงฆ์ว่าพระเจ้าข้ า, ากระผมได้สร้างท้าววไว้ในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดนี้จัดจัดว่ากระผมเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาได้หรือยังสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นประธานสงฆ์ในยุคนั้นท่านบอกยังมหาบภิิษยังยังเป็นทายาทไม่ได้เป็นแต่พุทธศาสนูประถมภกเป็นผู้ประถม พระพุทธศาสนาได้อยู่ได้เพียงตำแหน่งนี้แต่ยังไม่ใช่ทายาทคําว่าทายาทนี่จะทํำยังไงจึงจะเป็นทายาทได้ครับผมถ้าหากว่าจะเป็นทายาทต้องนําบุตรชายบุตรสาวบวชในพระพุทธศาสนาสมัยนั้นยังมีภิกษุณีอยู่นะฝ่ายหญิงก็มีภิกษุณีบวชบวชลูกสาวเป็นภิกษุณีบวชลูกชายเป็นพระภิกษุสงฆ์ ถ้าได้บวชเลือดเนื้อเชื้อไขไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วอันนั้นจัดว่าเป็นทายาทในปาาัญญาธรรมโสกได้ยินท่านนะท่านก็มองไปเห็นลูกชายของท่านอยู่ข้างๆนะมาเห็นบวชให้พ่อใดไม้โลกนะทางลูกชายก็อยากจะบวชอยู่แล้วใช่ไหมปุพญนิสัยท่านมีอยู่แล้วที่ท่านอยากจะบวชได้ครับผมบวชให้พ่อนะลูกนะครับผม ท่า น, นก็เลือกไปเห็นนางสังขมิตาลูกสาวสังขมิตาบวชให้พ่อได้ไม่โลกได้ค่ะจากนั้นท่านก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาทั้งสองทั้งสองลูกทั้งลูกชายทั้งลูกสาวจากนั้นท่านก็ได้มานําต้นโพมาที่สีลังกาพระเขี้ยวแก้วแล้วก็นําพระเกี้ยวแก้วมาปฏิสฐานที่สีลังกาทุกวันนี่นะนั่นแหละคือ ลูกชายลูกสาวของพระญาธรรมโสกราตนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาอันนี้คือเอพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในวันนี้ก็เหมือนกันแพวกเราถือว่าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาคือได้นําลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของเรามาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ที่ยังไงก็ขอให้พวกที่พระที่บวชเข้ามาแล้วก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจท่านละท่านเนี่ย พอบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่บวชเฉยๆนะไม่ช่ยไม่ใช่บวชฟักบวชแฟงนะบวชพระนะพอบวชเข้ามาแล้วก็ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่ในกฎขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสน า, าให้เคร่งครัดให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยจึงจะคําว่าบวชคํานี้นะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็ได้แต่ศีรสาล้นกับผ้าเหลืองแล้วก็เลอะเเทอะเเลอะเลือเลออ่อนเลือนจะบวชทําไม บวชแล้วทําให้เปื้อนศาสนาการบวชมีอยู่หลายอย่างคนโบราณเขาเป็นคําพังเพยเขาบอกว่านะบวชรักบวชลี้บวชหนีสงสารบวชพลานเข้าสุกบวชสนุกตามเพื่อนบวชเปื้อนศาสนามีหลายบวชนะคณะสัทธายาตโยมลูกหลานนะบวชรักบวชลี้ก็คือเนี่ยมีคดีความมีเรื่องราวคืนวันไปหาหลบหบซ่อนๆแล้วก็ เอาผ้าเหลืองมาหุมตัวเองเอพอจะให้พ้นคดีความอันนี้เรียกว่าบวชบวชลักบวชลี้บวชนีสงสารบวชนีสงสารก็บวชเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนภาวนาหาทางพ้นทุกข์อันนี้เราบวชนีสงสารบวชพลานเข้าสุข เ, เป็นคราวญาก็หาอยู่ห้ากินไม่พ อ, พอปากพอท้องพอได้เข้ามาอาศัยผ้าเหลืองพอได้กินข้าว ยังชีพให้เป็นไปอันนี้เราบอบวชผลานเข้าสุกบวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนเขาบวชคิดว่าจะมีความสุขวะบวชเข้ามาแล้วออบวชกับเขาบ้างสิพอเขามาบวชเห็นศรัทธาญาติโยมพี่น้องแหกันมาเนี่ยมีศักดิ์มีศีวะข้าอยากจะบวชกับเขาบ้างมีอุปมการณ์เพียงแค่นั่นแหละคล้ายๆก็มาเห็นเขาบวชก็บวชตามเขาเนี่ยอันนี้บวชบวชสนุกตามเพื่อน ต, ตัวที่เหลวร้ยายที่สุดคือบวชเพื่อนศาสนาบวชเตือนเพื่อนศาสนาเนี่ยคือพ่อบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยทําให้เสียหายหลักพระธรรมวินัยมีที่รับมีที่ ล, ลเีเมื่อต่อถ้าคนก็ทําอีกอย่างหนึง่งเมื่อรับหลังคนก็ทําอีกอย่างหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นศากะยะบุตรไม่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทําตนให้เป็นคนเลว อันนี้แปลว่าบวชเปื้อนศาสนาบวชไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียศาสนาก็ยิ่งเสื่อมเพราะเอาคนชั่วมาบวชในพระพุทธศาสานาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะพวกเป็นนักบวชก็ดีพวกคณะจัตตาญาติโยมก็ดีก่อนที่จะเอาลูกหลานมาบวชต้องกันกรองให้ดีซะก่อนนะลูกหลานคนณะจัตตาญาย า, ยาโยนะหลวงพ่อเคยตำหนิเคยตำหนิผู้ที่เอาลูกหลานมาบวชในพระพุทธศาสานา บางทีตัวเองเอาจนเหลือขอแล้วอบอกไม่ฟังแล้วออยาเสพติดก็เออเอาไม่อยู่ติดสุลาก็เอาไม่อยู่เป็นนักเลงหัวไม้ก็เอาไม่อยู่พอในสุดป้าเอามาบวชในพบพุทธศาสนาอพอเอาโยนเข้ามาวัดแล้วก็ตัดถางปล่อยวัดเนี่ยรีบหนีว่าไงน่ะกลัวมันจะกลับบ้านกลับคืนมาอีก พอมาอยู่วัดเถอเนี่ยพระท่างก็เห็นว่าเป็นคนผ่พี่น้องลูกหลานเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชช่หเนอก็รับไว้ต่อไปก็ออกแสงออกเสียงออกแสงอเอนี่ยออกลายพวกนั้นเถอะผลในสุดมีแต่ความชั่วช้าเสียหายนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่เป็นด่านแรก ให้ตรวจตราดูลูกหลานของเราสักก่อนว่าเออลูกหลานของเราคนนี้เป็นคนดีออสมควรที่จะเอาเข้าไปไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเอาไปไว้แล้วพวกเราจะได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะบูชาเป็นคนดีของตระ ก, กูลของพวกเราเออพระลูกหลานคนนี้นิสัยดีมาตั้งแต่วันเกิดท่านได้อย่างนั้นดีมากแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเป็นคนดีแล้วนะส่งไปเรียนหนังสือแล้วไปทําอะไรไม่ให้บวชอีกต่างหากไอ้พวกที่เก่าเละเก่าวลาดเอาไม่อยู่แล้วยค่อยผลักหลังเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วทเนี่พระพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอได้ยินอพระองค์นั้นไปอย่างนี้นพระองค์นี้ไปอย่างงั้นพราะในส่วนเราพ่อมากันประนามพระเลอว่าพระไม่ไดีอย่างาง้นี้ พวกเราได้ถามไหมว่าพระองค์ที่บวชองค์ที่เป็นอย่างนั้นน่ะเออก่อนที่เขาจะบวชแล้วก็เป็นอย่างไรได้ถามไหมได้สืบทอดสอบไหมได้ถามเขาดูไหมถ้าว่าพวกเราเอาคนลูกหลานของเราเลวสาะระเลวแล้วเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพอมาบวชแล้วก็พ่อมพากันประนามพระพุทธศาสนาพวกเราคิดดูสิว่าถูกต้องไหมเออเป็นเป็นสาเหตุจากใครใครเป็นคนผิด พระพุทธศาสนาผิดใช่ไหมสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราน้อมมองดูตนเองนะนานๆพวกเราจะได้ยินคําพระอย่างหลวงพ่อนี่พูดให้ฟังหลวงพ่อเนี่พูดให้พวกเราฟังนะอไม่ได้ใช่พูดให้เสาศาลาฟังพูดให้พวกเราฟังจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอแต่บางครั้งพระพระก็พูดไม่ออกนะอแต่พระพูดไม่ออกแต่หลวงพ่อเนี่พูดออกนะเพราะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรมุ่งหวัง แต่คุณงามความดีอยากจะให้คนในชาติเป็นคนดีพระดีเนรดีศรัทธาญาติโยมดีคิดดีทำดีพูดดีหลวงพ่อคิดได้เพียงคั้นแค่นั้นนะถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแลวหลวงพ่อไม่เสริมแลไม่เห็นด้วยอย่างมากแต่หลวงพ่อเองก็เหมือนกันใจของหลวงพ่อถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วหลวงพ่อก็ไม่ไม่ยินดีเหมือนกันสกัดมันออกเหมือนกันสิ่งที่มันชั่วนะ่ะ อยากจะให้แต่สิ่งที่มันดีเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทยาติโธมลูกหลานนะทาเราฝากลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสน า, ศาว่าเป็นทายาทนะทายาทของพุทธศาสนาคือพญาธรรมโศกราชเอาลูกชายลูกสาวบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเท่ากับจัดว่าเป็นทายาทนะเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้ก็ได้นําทายาทมาบวชไว้ในพระพุทธศาสนาแต่บางคนก็ถามว่า ก่อนที่จะบวชได้ดูลืกงามยามดีหรือยังก่อนที่จะศึกจะได้ดูลึกงามยามดียังไงหลวงพ่อบอกเลยบอกว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อทําดีเวลาใดคู่ใดขณะใดเดือนใดปีใดเวลาใดคู่นั่นแหละขณะนั่นแหละเวลานั่นแหละเป็นคู่ดีเวลาดีเดือนดีปีดี ถ้าทำชั่วแล้วก็ตรงกันข้ามอถ้าทำชั่วขนาดใดกู้ใดอถึงจะดูเลือกงามยามดีขนาดไหนก็เถอะเอเวลาไหนนะเวลาเที่ยงตรงนะการไก่ปืนเลยยิงเปี๊ยงเลยใข่ ไ, ขไก่ปืนเลยยิงเลยไม่มีโทษนทดลองเลยสิหาเลือกงามยามดีแล้วไปทำความชั่วมันก็ชั่ววันยังข้ามเนะผลในสู่ขา เท่ารู้เขาได้เมื่อไหร่ก็ตำรวจเขาก็ไล่ตะคบเมื่อนั้นแหละการทำความดีก็เหมือนกันการทำความชั่วก็เหมือนกันความชั่วทำเวลาไหนก็คือชั่วทำเวลาใดก็คือดีเพราะฉนั้นหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้ไม่ได้ถือลึอกงามยามดีทำดีเวลาใดก็คือดีทำชั่วเวลาไหนก็คือชั่วนะอ เวลาพวกเราจะทําความชั่วล่ะเวลาเราจะโกรธให้คนนะเออเราจะไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กล่ะเออเราได้หาเลือกงามยามดีไหมเออเราหาเลืองามซะ ก, ก่อนยามดีซะ ก, ก่อนเราจึงไปด่าเขานะี่เธอเคยมีไหมอย่างอั้แต่เวลาทําความดีนะมเนี่ยทําไมเออทาไมจึงหาเลือกงามยามดีเวลานั้นเวลานี่นเวลาไทายคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่เห็นไม่เห็นคิดหา ยามงามดีเลยหาลือหายามเลยเนะี่ยสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราเป็นพุทธศาส น, นิกนชนนะคิดสอนให้คิดนะสอนให้ใช้ปัญญาหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ใช้ปัญญานะลูกหลานนะอไม่ใช่สอนในความเชื่อนะเอ เ, อเชื่อเฉยเฉยหนี่ยหลวงพ่อบอกนี่เหมือนกันเอ้พวกหลวงพ่อไม่ได้สอนให้เชื่อนะสอนให้คิดไอ้ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คิดดูก่อนสาลีบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี้เนี่ยท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์พวกข้าพระองค์จะกลับทุนพบพบตรงเมื่อภายหลังนะฮะเห็นไหมทำคําสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สอนให้เชื่อทีเดียวนะ อันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่ออินหลวงพ่อพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนี่หลวงพ่อไม่ได้ให้พูดให้พวกท่านทั้งหลายเชื่อให้พวกท่านทั้งหลายคิดสัก่อนให้ใช้สติใช้ปัญญาคิดสะก่อนหลวงพ่อน่ยอยากจะได้พวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยเป็นอัจฉริยะเป็นนักคิด เ, เป็นนักคิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้แหะคือหลวงพ่อต้องการ ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังแล้วพวกลูกหลานก็เชื่อไปตามผลที่สุดเลยหลวงพ่อเหมือนกับสนตะไพ่บัวควายและก็จูงตามหลังเป็นพวนไปหลวงพ่อไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการอัจฉริยะผู้มีสติผู้มีปัญญามีแนวความคิดที่ดีฟังดูสเิเรื่องงามยามดีฟังดูสเิเรื่องการบวชก็เหมือนกัน ที่ำนําลูกหลานเข้ามาบวชในพุทธศาสนานจริงไหมนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายขัทตาญาติโยมทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความผาสุกกับพวกเราท่านทั้งหลายาต่อในไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พรนล้นะที่นี่นะในเมื่อพวกเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วยังค่อยขึ้นมาศาลาเนะ้อ ถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงบวชพระซะก่อนบวชพระในพระพุทธศาสนาซะก่อนได้บุญได้กุศลร่วมกันนะคณะจัตตาญา ย, ยาโยมลูกหลานอตอนนี้ไปรับพรประสงค์อนุมโมทนาให้พร